ห้องสิบสุดหลอนเจอดีที่แพรการจนบุรีสัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3มปีก่อนเป็นประสบการณ์ของหญิงคนหนึ่งซึ่งได้ไปเที่ยวที่แพรแห่งหนึ่งในจังหวัดการจนบุรี เรื่องมีอยู่ว่าที่ทำงานของแฟนเราได้จัดทริปเที่ยวปีใหม่ซึ่งจะจัดในทุกๆปีแล้วปีนี้เลือกจะไปนอนที่แพรจังหวัดกาญจนบุรีในเขื่อนศรีนครินเมื่อไปถึงเราจะต้องจอดรถไว้ที่ฝั่งแล้วทางรีสอร์ทจะเอาเรือแพรลําใหญ่มารับพวกเราไปยังที่พักที่พักของเราจะอยู่กลางน้ำติดกับเกาะที่อยู่ในเขื่อน เมื่อไปถึงรีสอร์ทพวกเราก็เดินสำรวจที่พักนั้นน่าอยู่มากโดยจะแบ่งเป็นสองโซนคือโซนบ้านไม้สักที่สร้างขึ้นใหม่และโซนบ้านไม้สักซึ่งเก่าแก่มากในวันที่เราไปพักก็มีผู้เข้าพักหลายกลุ่มทําให้ที่พักทุกห้องถูกจองเต็มหมดคณะของเราทั้งหมดได้พักในโซนบ้านไม้สักเก่ายกเว้นกลุ่มของเจ้านาย ได้พักโซนบ้านไม้สักใหม่สองหลังคณะของเราก็มีเด็กๆไปหลายคนอายุตั้งแต่สองถึง6กขวบซึ่งการนำเด็กเล็กไปเที่ยวแพรก็ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวพอไปถึงก็เกิดเรื่องขึ้นเลยลูกของหัวหน้าเดินตกลงไปในร่องของเหล็กที่ต่อกันเป็นแพรแต่โชคดีที่วิ่งไปจับไว้ได้ทันเลยได้มาแค่แผ ซึ่งเราก็ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเด็กตกลงไปแล้วจะช่วยเหลื อ, อยังไงเพราะร่องนั้นสําหรับผู้ใหญ่แล้วจะเล็กไม่สามารถลงไปได้ต้องไปหาทางลงทางอื่นแทนทาให้ล่าช้าจนอาจจะช่วยเหลือเด็กไม่ทันพนักงานเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีเด็กตกลงไปในร่องกว่าที่คนจะตามไปงมช่วยเหลือได้เด็กก็หมดสติไปแล้วต้องนาส่งโรงพยาบาล แล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นปลอดภัยดีหรือเปล่าเพราะ ก, ก็ไม่ได้ข่าวจากโรงพยาบาลทางฟังอีกเลยจากนั้นพวกเราก็ได้กุญแจที่พักของสถานที่นี้มาแล้วก็มาแจกกันตัวเรานั้นได้บ้านไม้สักหลังเล็กเลขที่สิบบ้านหลังนี้จะอยู่หลังท้ายสุดต้องเดินไกลมากเมื่อเราเดินไปยังบ้านพักของเราเรารู้สึกไม่ชอบเอามากๆ พอเปิดประตูเข้าไปเราก็สำรวจทุกอย่างภายในบ้านเพราะเราต้องเน้นเรื่องทำความสะอาดให้มากที่สุดเพราะเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะภายในบ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆเกตียงนอนมี2ฝั่งในหนึ่งเตียงจะนอนได้สองคนและระหว่าง2เตียงนั้นจะมีทางเดินอยู่ประตูทางเข้ากับประตูระเบียงตรงกันสภาพห้องค่อนข้างเก่าบริเวณซอกหัวเตียงก็มีขี้จิ้งจก มีฝุ่นตามข้างฝาเฮดานก็มีหยักใหญ่ดูแล้วก็รู้ได้ว่าห้องนี้มีการทำความสะอาดมาบ้างเหมือนกันแต่ทำความสะอาดได้ค่อนข้างแย่และยังดูเหมือนกับว่าห้องนี้ไม่ค่อยจะได้ใช้งานสักเท่าไหร่พอจะมีคนมาพักก็จะทำความสะอาดทีหนึ่งเมื่อเราเดินเข้าไปดูอย่างห้องน้ำก็ต้องตกใจในสิ่งที่เห็นมันรับไม่ได้เลย สภาพแย่สุดๆแถมยังมีรูพุนเต็มไปหมดแต่จะทำยังไงได้จะขอเปลี่ยนบ้านก็เต็มหมดแล้วทุกหลังเราจึงเดินไปสำรวจห้องของคนอื่นก็ปรากฏว่ามันสะอาดมากสะอาดกว่าห้องของเราอย่างเห็นได้ชัดเราคิดว่าจะขนของย้ายไปนอนกับพี่ๆที่หลังอื่นแต่พี่ๆก็มาเรียกไปล่องแพสิก่อนเราจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปล่องแพกัน ส่วนหัวหน้าที่ลูกเดินตกแพก็ดูแลลูกไม่ได้ไปด้วยพวกเราจึงไปล่องแพกันพอล่องแพเสร็จก็กลับมายัางที่พักซึ่งเป็นเวลาห้าโมงเย็ยนได้แล้วแล้วเราก็กลับมาอาบน้ำที่ห้องคนเดียวส่วนแฟนเรายังเล่นน้ำอยู่กับพี่ๆตอนอาบน้ำนั้นบรรยากาศมันเงียบมากเราก็กลัวนิดๆก็เลยเปิดประตูทั้งประตูหน้า ประตูระเบียงพออาบน้ำเสร็จเราก็ออกไปนั่งที่ระเบียงเพราะสามารถเห็น พ, พี่ีที่นอนบ้านหลังก่อนหน้าเราได้แล้วยังพอจะตะโกนคุยกันได้อยู่ไม่นานแฟนเราก็กลับมาแล้วไปอาบน้ำโดยมีพี่ผู้ชายที่สนิทกันมาขอนอนด้วยอีกเตียงหนึ่งเรารู้สึกดีใจมากที่มีพี่เขามานอนเป็นเพื่อนเพิ่มอีกคนหนึ่ง ความกังวลกับบ้านหลังนี้เราก็ลดลงหลังจากที่แฟนเราอาบน้ําเสร็จก็มานั่งคุยกันคุยกันไปเรื่องต่างๆนานาจนแฟนเราสังเกตเห็นว่ามีหิ้งพระอยู่แต่ไม่มีพระเหมือนกับว่าตรงนี้เคยมีพระตั้งอยู่มาก่อนแล้วถูกนําออกไปคงเหลือไว้แต่หิ้งซึ่งหิ้งนั้นมันอยู่เหนือประตูทางออกระเบียงไปท่าน้ําพอดี พอเรามองดูมันก็เหมือนหิ้งพระจริงๆแล้วพี่เขาก็เงียบไปไม่พูดอะไรต่อตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้คิดสงสัยอะไรเลยซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีหิ้งพระแบบนี้ในห้องพักตามรีสอร์ทมันก็ดูแปลกๆอยู่หลังจากทุกคนในบ้านพักของเราอาบน้ำแต่งตัวกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินข้าวเย็นเราก็นั่งกิน แล้วก็นั่งเล่นกิจกรรมกับคณะจนกระทั่งเวลาประมาณหทุมครึ่งก็แยกย้ายกันแล้วเราก็ได้รู้ว่าพี่คนที่จะมานอนในบ้านหลังเดียวกับเราในตอนแรกนั้นได้แอบหนีไปนอนกับพี่พี่ห้องอื่นแล้วได้บอกว่าง่วงไม่อยากกวนเราสองคนทำให้คืนนี้เรากับแฟนของเราต้องนอนห้องนั้นกับสองคน เราจะขนของไปนอนกับคนอื่นก็ไม่ทันแล้วเพาไปถึงห้องเราก็ล้างหน้าเพื่อที่จะเข้านอนซึ่งแฟนของเรานอนด้านในติดกับผนังส่วนตัวเรานั้นนอนด้านนอกก่อนนอนก็สวดมวนต์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณนะที่แห่งนี้ว่าจะขอพักแรมหนึ่งคืนถ้าพูดหรือกระทำการสิ่งใดเป็นการลบหลู่โดยรู้เท่าไม่ถึงการ ก็ขอขมาด้วยแล้วเราก็สวดมนต์ไปหลายอย่างมากๆพอสวดมนต์เสร็จก็นอนหลับไปกลางดึกเราตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่ตอนนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราลุกเดินไปฉี่ในห้องน้ำํำพอฉี่เสร็จก็กลับมาเพื่อที่จะนอนต่อแต่ทํายังไงก็นอนไม่หลับพยายามขมตานอนเพื่อว่าเดี๋ยวมันคงจะหลับเอง ซึ่งห้องนี้เราปิดไฟหมดทุกดวงเปิดแต่เพียงไฟห้องน้ำไว้แต่ปิดประตูเพราะห้องน้ำรูเยอะมากกลัวยุงจะเข้ามาหากเปิดประตูไว้ภายในห้องนอนมันก็เลยค่อนข้างจะมืดมากขณะที่เรานอนหลับตาเพื่อจะคมตานอนอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังมีคนเดินอยู่ที่ปลายเตียงแล้วค่อยๆเดินมายังหัวเตียงมาหยุดตรงหัวเรา จากนั้นเราก็ขยับตัวไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังโดนผีอำอยู่ในใจก็รู้สึกกลัวเราเลยสวดนโมสามจบเพราะไม่รู้จะทำยังไงเราขยับตัวไม่ได้อยู่อย่างนี้นานมากจนในที่สุดก็เหมือนหลุดพ้นจากพันธนาการเหมือนกับว่าเขาไปแล้วแต่เราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกน่าจะนอนผิดท่า ก็เลยเปลี่ยนมานอนตะแคงหันหน้าออกจากเตียงในขณะที่เรากำลังเคิมอยู่นั้นก็เหมือนกับว่ามีคนมานอนเอาท้องมาชนข้างหลังเราทั้งทั้งที่เรากับแฟนก็นอนห่างกันมากเลยทีเดียวท้องนั้นมันกลมๆเหมือนกับคนท้องพอเราจะหันกลับไปดูก็ปรากฏว่าเราขยับตัวไม่ได้อีกแล้วสักพักก็รู้สึกว่า เหมือนมีผ้ามาพันอยู่ที่รอบรอบคอเราแล้วดึงไปทางด้านหลังเรารู้สึกหายใจลําบากมากเราโดนดึงอยู่ประมาณส4สี่ครั้งแล้วผ้านั้นก็เปลี่ยนมากดที่หน้าเราทำให้เราหายใจไม่ออกเราพยายามดิน้นแต่ก็ขยับตัวไม่ได้แล้วสักพักผ้านั้นก็หายไปเราจึงกลับมาหายใจได้สะดวกอีกครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองก็มีเสียงเหมือนคนกำลังเดินมาอีกแล้วเดินไปเดินมาแล้วก็มาหยุดที่หน้าของเราเธอคนนั้นร้องกรี๊ดใส่หน้าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกับลืมตาได้เราเห็นห้องนี้มันสว่างมากสว่างจนมองเห็นแขนขาของตัวเองแต่ขยับตัวไม่ได้ พอเรามองไปที่เตียงตรงข้ามเราก็เห็นผู้หญิงผูกคอตายห้อยตองแต่งอยู่เราไม่เคยเจอผีอํานาจกลัวแบบนี้เลยมันน่ากลัวสุดๆในใจตอนนั้นพยายามตะโกนหาหลวงพ่อทุกองที่รู้จักขอให้ช่วยลูกด้วยไม่ไหวแล้วเราตะโกนอยู่นานก็ลืมตาได้แบบลืมตาจริงๆไม่ใช่ตกอยู่ในผวังเหมือนตอนแรก แต่สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าในความมืดนั้นก็คือคนผูกคอห้อยอยู่เตียงตรงข้ามอีกแล้วเราช็อกมากเหงื่อท่วมตัวรีบตะโกนเรียกแฟนของเราให้ตื่นแล้วเปิดไฟที่หัวเตียงพอแฟนเราตื่นขึ้นมา ก, ก็ทำหน้างงมากพอดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตีสามสหนาทีแฟนเราก็ถามเราว่าเป็นอะไร กงแต่คบมาไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เราตัวสัน่นแล้วก็ขอให้เขาเปิดไฟนั่งอยู่เป็นเพื่อนจนถึงเชา้านั่งเล่นเกมมือถือไปพอรุ่งเชา้าเราก็เล่าให้แฟนฟังแฟนเราก็ตกใจมากเพราะเขาเป็นคนกลัวผียิ่งกว่าเราซะอีกแล้วเขาก็ปลอบใจว่ามันอาจจะเป็นเพียงฝันที่เหมือนจริงก็ได้เช้าวันนั้นพอถึงเวลาอาหาร ตอนที่คณะเรารวมกลุ่มไปกินข้าวกันพี่บ้านข้างๆก็ถามว่าเมื่อคืนมีอะไรหรือเปล่าได้ยินเสียงตะโกนดังมากเราก็บอกไปว่าไม่มีอะไรเพราะกลัวเขาจะไม่เชื่อหาว่าเรางมงายแล้วเราก็เดินไปถามคนที่อยู่แถวนั้นว่าประวัติความเป็นมาของบ้านที่เราไปนอนนั้นเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าลุงแกก็หัวเราะทำท่าเหมือนจะไม่ยอมตอบ แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกจากนั้นก็รีบเดินหนีไปเราจึงเดินมองไป ร, บรอบๆแล้วก็มองขึ้นไปเห็นสารพราภูมิของรีสอร์ทแต่เมื่อวานกลับมองไม่เห็นงั้นก็แสดงว่าเมื่อคืนเรานอนหันเท้าให้สารนี้ทั้งคืนแต่จะทำยังไงได้ก็รีสอร์ทจัดเตียงนอนให้เราแบบนี้พอกลับไปคิดถึงเรื่องเมื่อคืนเราก็ไม่รู้ว่า สิ่งที่มาหลอกเรานั้นมันคืออะไรกันแน่และมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะบอกให้เรารู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาผูกคอตายเพราะตอนที่เราโดนอําอยู่นั้นมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเป็นผู้หญิงคนนั้นและกำลังจะโดนล่วงละเมิดทางเพศแต่ขัดขืนไม่ได้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเธอคนนั้นอยากจะให้เราช่วยเหลือเธอ หรือต้องการอะไรกันแน่เหตุการณ์นี้มันยังคงติดค้างอยู่ในใจของเราตลอดมาหลังจากที่เราออกจากรีสอร์ทแห่งนี้มาก็กลับบ้านที่กทมพอถึงบ้านก็ได้รู้ว่าเราลืมเอากุญแจห้องเบอร์สิบนั้นคืนให้กับทางรีสอร์ทเราคิดสงสัยในใจว่าตอนที่ขนของออกมาจากห้องแล้วก่อนที่เราจะกลับนั้น เราก็ยังคงถ่ายรูปอยู่อีกนานทาไมทางรีสอร์ทถึงไม่ทวงกุญแจห้องกับเราเลยเรารู้สึกไม่ดีกับห้องพักหลังนั้นมากอยากจะคืนกุญแจก็เลยโทรติดต่อไปยังรีสอร์ทเขาถามว่าเป็นกุญแจห้องไหนเราก็บอกว่ากุญแจห้องเบอร์สิบแต่ปรากฏว่าเขาบอกไม่ต้องส่งคืนไม่ว่าเราจะพูดยังไงเขาก็ยังคงยืนยันว่า ไม่ต้องส่งคืนเดี๋ยวจะทำกุญแจใหม่เองเราจึงตัดสินใจว่าเอากุญแจนั้นไปไว้ที่วัดตั้งแต่เรากลับมาพ่อของเราก็อาสาที่จะเอากุญแจนั้นไปไว้ที่วัดให้แต่พอตกกลางคืนพ่อก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะกระแสเลือดติดเชื้อจนเป็นไข้สูงมันอาจจะเป็นความบังเอิญไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์ก็ได้แต่เรา ยังคงรู้สึกแย่ ส, สัมผัสสยอง